บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุ ป, ปการะแก่าการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยัแห่งธรรมะที่ทรงใช้คำว่าปฏิจจสมุ ป, ปาทคือธรรมที่เป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันแล้วเกิดขึ้นซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้น ที่จริงแล้วก็เป็นกระบวนการของธรรมชาติทั้งหลายซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ดังนั้นจะพบว่าท่านที่มีดวงตาเห็นธรรมซึ่งเรียกว่าประโสะดาบันนั้นที่จริงเป็นความรู้ความเห็นในระยะสั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ด้วยความรู้ความเห็นเพียงเท่านี้ก็ถือว่าท่านนั้นเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ปัญหาสําคัญอยู่ในตอนความรู้ความเห็นว่าความรู้ความเห็นระดับแรกเป็นความรู้ระดับปริญญาการศึกษาเรียนรู้มาจะอาจจะเกิดจากการอ่านการฟังการสนทนาการสอบถามการแลกเปลี่ยนความรู้กันเราก็เรียนรู้เรื่องเหล่านี้มาทางประาทสัมผัส บางครั้งก็อยู่ในตรงนั้นเองคือไม่ขยับไปอีกขั้นหนึ่งที่ท่านเรียกว่ารู้ด้วยการพิจารณาห้ายความมายกสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันอย่างต่อเ น, นื่องคือไม่ใช่มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง ลักษณะของคําสอนที่ทรงแสดงไว้นั้นจะมีความเป็นสากลคือจะครอบคลุมสิ่งทั้งหลายเอาไว้ด้วยเพื่อจะอยู่ในกฎอย่างเดียวกันลักษณะของกฎนั้นบางครั้งท่านจะพูดเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เราก็ต้องมองให้เห็นว่ากฎเหล่านั้นที่จริงแล้วมันก็คลุมตรงอื่นอยู่ด้วยดูตัวอย่างง่ายๆเช่น เราพูดถึงลูกสามประเภทโกคผานสกุลโลกดํารงสกุลลรครักษาสกุลหรืลูกเชื้อชูสกุลเราอาจจะมองจากจุดเล็กๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้จะสมมติว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอาหารบางอย่างนั้นเป็นพิษเป็นภัยบาก็ล่างผานร่างกายเราก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกับ ลูกลานสกุลอานบางอย่างพอทำรงรักษาชีวิตไว้ได้คุณภาพของอาหารไม่ได้ดีเด่นอะไรมากนักแต่ไม่ถึงกับทำลายสุขภาพอะไรก็ถือว่าอยู่ในประเภทรักษาร่างกายเราไว้ได้ก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกับลูกรักษาสกุลอันบางอย่างมีคุณค่าทางอาหารสูงมีความเป็นยาอยู่ด้วย เราเขาไปรับประทานก็ไปแล้วก็เกิดความกระปรีก้กระเป่ามีความแข็งแรงบางเกิดขึ้นในร่างกายเรามันก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกับลูกที่เชิดชูสกุลและในจุดนี้เองเราจะพบว่าถ้าเรามองเกี่ยวตัวของเราเองในขณะที่เราเป็นลูกของครอบครัวของพ่อแม่นั้นเราก็เป็นหลานของสกุล เราเป็นสมาชิกของสังคมเราเป็นประชากรของชาติเป็นศาสนิกในศาสนาและเป็นผลละเมืองของโลกในความเป็นคนคนเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเกิดเป็นคนประเภทใดประเภทหนึ่งนั้นไม่ใช่มีผลกระทบเฉพาะจุดเล็กๆแต่ว่ากระทบไปถึงจุดจใหญ่ๆด้วย ยิงสถานะตำแหน่งของบุคคลเหล่านั้นไปอยู่ในจุดที่จะให้คุณให้โทษแก่คนอื่นได้แล้วก็กระทบกระเทือนกันไปกว้างใหญ่ไพศาลแม้้วยการกระทำเป็นคนคนเดียวทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเพราะในกรณีของลูกที่เชิดชูสกุลพระเจ้าก็ทรงแสดงเอาไว้ว่าสัตว์บรุษคือคนดีเนี่ยเมื่อบังเกิดขึ้นในโลกสักคนหนึ่ง จะบังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์คือกูลแก่ชนเป็นนันมากเพื่อความสุขแก่ชนนันมากเพื่อเป็นการ อ, อุเคราะห์ต่อชาวโลกวันประโยชน์ที่บุคคลจะรับจากสัตว์ปรุษจึงไม่ได้อยู่เฉพาะตัวสัตว์ปรุษหรือครอบครัวของสัตว์บุรุษแต่จะกระจายออกไปถึงบุคคลทั้งหลายสิ้นการยาวนานแต่ในขณะเดียวกันพวกพรานตะกุลพวกอาวุชชาตประพุทธเจ้าก็ทรงเรียกว่าเป็นอสัตว์บุรุษ คนนี้เกิดขึ้นมาสากคนเดียวก็สร้างความพินาศความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานเนเกิดขึ้นแก่บุคคลต่างๆได้เป็นนั้นมากนั่นคือลักษณะของโครงสร้างที่จริงก็ทรงแสดงจากจุดเล็กๆบางครั้งก็ทรงกระจายติมที่บางครั้งก็ไม่กระจายหรอกเพราะว่ามองไม่ได้หรือมองไม่ชัดก็จะพูดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง แต่สิ่งทั้งหลายนั้นจะเป็นกระบวนการของเหตุผลที่ทยอยกันไปเหมือนกับลูกขึ้นไม่ขาดสายก็ทำให้เรามองเห็นว่าเหตุนั้นมีอยู่สองเหตุคือเหตุแห่งความสุขกับเหตุแห่งความทุกข์ผลมันก็มีสองผลดันเด่นคือสุขกับทุกข์จะไม่มีผลอื่นไปจากนั้นโดยจ้ำไปแม้เราจะเรียกว่าลาบยัว่ า, วาสรรเสริญมันก็เรื่องให้ความสุขเท่านั้น ลาบก็ให้ความสุขยศก็ให้ความสุขสันเสริญก็ให้ความสุขความสุขก็ให้ความสุขพอเสื่อมลาบเสื่อมยศดนินทาทุกข์มาที่จริงมันก็คือความทุกข์การเสื่อมลาบก็ทุกข์การเสื่อมยศก็ทุกข์การถูกดินทาก็ทุกข์ความทุกข์นั้นก็คือตัวความทุกข์นั้นคือมองโดยสรุปเราจะเห็นว่าที่จริงมันเป็นกระบวนการเฉยๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันเฉยๆแต่มองให้มากบางคนดูแล้วก็แคร์เมาก แต่ต้ามองเป็นกระบวนการแล้วว่าถาสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีทีนี้เมื่อเรามองกลับไปที่เหตุสองเหตุมาเกิดผลเป็นสองผลโดยพืพ้นฐานของความคิดคนแต่ละคนมีความรักตนถนอมตนปรารถนาให้ตนมีความสุขความสงบความเจริญข้าวหน้าของมกเกษมเพลเพลในชีวิตเทศเหล่านั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วแต่มาความมาต่อเหตุตรงกันข้าม ผลมันก็ออกมาตรงกันข้ามกับที่เราตั้งใจเอาไว้และจะทรงแสดงไว้แนวนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแม้ในมงค ล, ลสูตรซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ชัดเจนว่าในมงคลลสูตรเราคุ้นๆกันนั้นทรงแสดงมงคลไว้38ประการใน ต, ตัวการใหญ่ที่เป็นพื้นฐานที่จะไปได้หรือไปไม่ได้เนี่ยมันก็มีไปได้กับไปไม่ได้ หมาความมงคลทั้งกระบวนการนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่จุดที่จุดเริ่มต้นนั่นั่นเองคือถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอยากพบคนผ่านแต่เราเกิดพบผ่านก็จบกันมันเริ่มถึงเป็นอัปมงคลมันเริ่มถึงเป็นอัปมงคลต่อไปข้างหน้ามันก็เป็นอัปมงคลไปตลอด คนพาลชักนาให้ไปเป็นนักเลงให้เล่นการพานันให้เที่ยวกลางคืนในตื่นการและเล่นต่างๆให้เป็นนักเลงดึงสุราให้เป็นคนจนเป็นโจรปล้นเขาเป็นต้นนี่ก็แล้วแต่จะลา ก, กันไปแต่มงคลที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมดอีก37ข้อนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มที่บัณฑิตซึ่งที่จริงบัณฑิตก็คือตัวแทนของกุศลธรรม เป็นกุศลและธรรมที่เกิดขึ้นจากการน้อมนำมาศึกษาพระพฤติปฏิบัติจนเป็นลักษณะนิสยัยอาการแสดงออกทางกายทางวา จ, จาของท่านเหาท่า น, นเป็นการสะท้อนมาจากใจก็เราเรียกธนอริป็นบัณฑิตพอเริ่มจากตรงนี้ได้มงคลทั้ง38ประการก็เกิดขึ้นรวมทั้งการไม่คบคนณผ่านด้วยเพราะในกระบวนการของเหตุผลก็คล้ายกับการปลูกพืชที่ทรงอุปมาว่า เหมือนบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปในดินเขาจะต้องรับผลของพืชชนิดนั้นคนทาควรมดีก็รับผลดีคนทําความชั่วก็รับผลชัว่วนั้นเป็นสูตรที่เราจากันได้ไง่ายให้เราสังเกตว่าอยู่ที่จริงอยู่ที่ชนิดพืชแต่ทรงพูดผลสุดท้ายเป็นการแสดงผลสุดท้ายที่จริงๆก่อนที่จะกลายเป็นผลนั้นมันก็มีเป็นต้นเป็นกิ่งเป็นใบเป็นดอกไปก่อน แต่ก็ถือว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจกันรากว่าจะมาเป็นผลนั้นจะต้องผ่านกระบวนการคือของเหตุผลเรตนี้มาเสียก่อนเพราะในเวลาทรงแสดงพวกธรรมะโดยปริยายต่างๆคือนิยาต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นบางทีก็ส่งลากให้มาเห็นถึงนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีก็ว่ามาเรื่อย นันแสดงว่าต้องการซอยให้ถี่โดยละเอียดเพื่อเห็นว่าไอ้ส่วนที่เราไม่ต้องการที่จริงมันมีทั้งหลายอย่างไปตัดเหตุแค่ตอนใดตอนหนึ่งมันก็ผลเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไปไพ่ายแพ้ไปทําลายเหตุบางจุดไม่ได้แล้วก็หมดอะไรตายอยากที่จะทําลายที่จริงมันยังมีอีกทั้งหลายจุด มันก็ทำนองคล้ายๆค่าศึกรุกมาจากทิศ ต, ตั้งหลายไป ต, ตั้งด่านสกัดเอาไว้แล้วก็ค่าศึกบุกทะลวงมาได้ปู่ทหารที่ส่งไปรบหมดอะไรตาอยากแล้วที่จริงมันมีอีกตั้งหลายจุดซึ่งสามารถสกัดได้แม่ข้าวมาตัวถึงเมืองหลวงเพราะการสู้รบ ก, กับกิเลสมันก็เป็นเช่นนั้นจะในกลุ่มของ ปฏิจจสมบัติที่กล่าวมาแล้วท่านเรียกว่าสายสมุทัยาวานคือสายเกิดที่จริงเวลาทรงสแสดงนั้นทรงสแสดงสงสายคือสายดับสายดับด้วยคือสายที่เกิดด้วยแม้จะมีการจำแนกธรรมะออกไปเป็นส2บสองข้อหรือจะนับสิเข้อก็ได้ที่จริงแล้วท่านสาธชนทั้งหลายจะเห็นว่าถ้าพูดย่อๆมันก็ง่ายทีดเดียวคือทุกขสมุทยัย แต่ว่านั่นคือความเข้าใจในเชิงของปริยัติผ่านการปินิดพิจารณาในเชิงของปริยัติมีการจำแนกแยกแยะในแบบปริยัติแต่ก็ไม่ได้จัดว่าเป็นความรู้อย่างที่เป็นพระโสดาบันความรู้ที่เกิดขึ้นภายในใจที่ทำให้บุคคลเป็นพระโสดาบันนั้นจะต้องเข้าใจพระโสดาบันก็คือคนธรรมดาเอง แต่ถึงจุดหนึ่งท่านเกิดญาณคือความรู้ผุดขึ้นภายในใจของท่านว่าสิ่งอะไรก็ตามในโลกนี้เมื่อมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดจะมีความดับไปเป็นธรรมดาลักษณะการมองโดยสรุปวัน เ, เวลาสิ่งเกิดขึ้นท่านก็รู้ทันว่ามันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้น พอเสื่อมท่านก็รู้ทันว่ามันเสื่อมเพราะมีเหตุปัจจัยมันเสื่อมไม่ต้องถามว่าทําไมจึงเสื่อมเพราะมีเหตุปัจจัยมันเสื่อมคือจะเสื่อมขึ้นมาเฉยๆไม่ได้จะต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้เสื่อมพอถึงดับไปเป็นธรรมดาบางก็รู้ว่าเมื่อหมดเหตุปัจจัยมันก็ต้องดับเป็นธรรมดาปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงในยามประสบกับอารมณ์ทั้งหลาย แต่พอดีพระโสดาบันนั้นท่านไม่ถึงก็ตัดราคาโทสะโมหะได้หมดเพียงแต่ว่าท่านละกิเลสจาบๆยาบก็ไม่ใช่หยาบหรอกคือสังโยชน้าประการเนี่ยสามประการเนี่ยหมดไปได้อย่างแท้จริงนอกจากนั้นท่านก็ยังมีปัญหาได้ในสายนั้นๆแต่ในสามสายนั้นท่านจะไม่มีปัญหาบุกรบประกานได้เฉพาะสามสายทำานองเดียวกับอะไรทํานองเดียวกับธรรมะปฏิบัติที่เราปฏิบัติ ที่จะเรียกว่าเบญจเวทนาวิรัติคือการงดเว้นจากเวรจากภัยทั้งห้าประการมันก็ปิดห้าทางสมมติว่าเรารักษาศีลห้าได้ทั้งหมดมีความถูกต้องสมบูรณ์ภัยอันตรายจะเกิดขึ้นเพราะการละเมิดศีล น, นั้นไม่ได้แต่ถ้าจะเกิดจากทางอื่นมันก็ได้เพราะอะไรเพราะคนขนาดพระพุทธเจ้าพระอระหันต์ทั้งหลาย ยังประสบผลกรรมต่างๆอีกเป็นนั้นมากบางทางที่ไม่มีกิเลสอานสวะแล้วแต่ว่าอดิตกรรมที่ท่านได้กระทำเอาไว้ในภพในชาติต่างๆมันก็ตามมาทานได้โดยบุคคลที่ยังเหลืออยู่คือขันธ์ยังเหลืออยู่ในความเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยท่านอาจจะรับผลของกรรมในทางที่ไม่พึงปรารถนาพระพุทธเจ้าก็เคยเจอพระอรหันต์ทั้งหลายก็เคยเจอ แต่มาถึงคราวที่ขันของท่านแตกตับไปก็จบสิ้นกันเพราะที่ตั้งแห่งกรรมมันไม่มีแล้วเนื่องจากที่ตั้งของกิเลสมันไม่มีที่ตั้งของกรรมก็ไม่มีปฏิสัณฑที่วิญญาณมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะกระบวนการใหญ่ที่ท่านสอนไว้เมื่อแยกออกเป็นสองกลุ่มนั้นสาธารณชนทั้งหลายจะเห็นว่าตัวตัวเหตุใหญ่มันก็มีสองเหตุคือเหตุในอดีตได้แก่อวิชชา พวิชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณมีวิญญาณมีนามรูปมีนามรูปมีอาญาตนะก็ตาหูจมูกดิ้นกายใจก็มีตาหูจมูกดิ้นกายใจมีนั้นที่จริงตรงนี้ยังมีอะไรอยู่อีกเกิดความตาต้องเห็นรูปหูต้องฟังเสียงจ ม, มูกรุมกลิ่นลิ้นิ่รูกายถต้องเ็นร้อนอ่อนแข็งใจถึงนึกถึงอารมณ์มันก็เกิดเป็นเวทนาที่จริงมันเกิดเป็นสัมผัสวิญญาณก่อนแล้วก็เกิดเป็นสัมผัสแล้วก็เกิดเป็นเวทนาคือการกระทบ การสวยอารมณ์ในการกําหนดอารมณ์ด้วยความรู้ทางวิญญาณว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบมันก็เกิดเป็นกามาตัาหาขึ้นมาเป็นภาวะตัณหาขึ้นมาถ้าไม่ชอบล่ะมันก็เป็นวิภาวะตัณหาขึ้นมาวันเวทนาจะเป็นปใจใัจจัยเกิดตัณหาแต่สังเกตว่าที่จริงไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปตัณหานั่นเองเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาก็ได้ เวทนานั่นเองเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชาก็ได้คือกระโดดเข้าไปเข้ามาก็ได้มันไม่จําเป็นว่าจะต้องพูดเรียงลาดับอย่างนี้เสมอไปอย่างในพระบาลีที่ทรงสแสดงว่าตัณหาชนเนติปุริสังซึ่งเราจะเห็นว่าในปฏิจจสมบทที่เราเรียดมาเนี่ยมันก็มีตัณหามีอุปาทานมีพบแล้วก็มีชาติแต่เวลาทรงสแสดงปรากฏว่าพกับชาติไม่ได้พูด อุปท า, านกับภพบไม่ได้พูดคือพูดชาติปไปเลยเพราะตัณหาจะเนติปริสังตัณหายังชนให้เกิดขึ้นมาความจากตัณหาก็เป็นชาติลักษณะาอาการของกิเลสที่แสดงไว้นั้นเป็นการซอยให้เข็นถึงความต่อเนื่องของลักษณะจิตในแต่ละขณะหรือมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปไม่พูดสัอบ้างก็ได้หรือพูดได้ต่อเนื่องไปก็ได้ ทีนี้เหตุในปัจจุบันนั้นพึงสังเกตว่าที่สร้างปัญหาหรือไม่สร้างปัญหามันอยู่ที่เรามีตัณหาหรือไม่มีตัณหาอารมณ์นั้นแน่นอนเป็นเรื่องที่คนต้องกระทบพระพุทธเจ้าต่างก่อกระทบพระหารต่างก่กระทบมันไม่มีใครที่ไม่กระทบอารมณ์หรอกเพราะเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ยังสมบูรณ์อยู่เมื่อยังมีจกักรุประสาทอยู่การเห็นรูปก็ต้องมี เมื่อยังมีโสตป ร, ระสาทหูไม่หนวกคือโสตป ร, ระสาทไม่พิการการได้ยินเสียงก็มีแล้วก็เสียงนั้นเองเราจะมีความรู้สึกสองอย่างรูปเสียงกิริยบุตรภานั่นเองหรือยังจะมีความรู้สึกสามอย่างคือพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยๆแตจากพอใจไม่พอใจเฉยๆนั่นเองที่จริงมันก็เกิดเป็นเวทนาถ้าพอใจก็เกิดสุขเวทนาไม่พอใจเกิดทุกขเวทนาแล้วเฉยๆมันก็เกิดอุทกกับสุขเวทนา ทีท่นี่ตรงนี้แหละมันจะเป็นตัญหาหรือไม่เป็นตัญหามันก็อยู่ตรงนี้ภาษาทสัมผัสนั้นเราแก้ไม่ได้เมื่อเห็นรูปความเสียงแล้วมันก็ต้องเกิดเป็นความรู้รูปทางตาเป็นต้นขึ้นมาเพราะการกระทบเราก็แก้ไม่ได้นะมันคงเป็นการกระทบอยู่เพราะเป็นเรื่องของโลกวัตถุแต่แก่ต้องกระทบปัญหาสําคัญว่าอยู่ที่ใจในขณะนั้นมีตัญหาหรือไม่ ถ้าไม่มีตัญหาในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่มีที่พ้นอะไรนั้นก็อยู่อย่างที่เขาอยู่เราก็อยู่อย่างที่เราอยู่ปัญหาใหญ่อยู่ที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดังนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาพระรยาบุคคลระดับพระโสดาบันนั้นท่านรู้เท่าทันถึงความจริงของเหตุที่ให้เกิดเป็นปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นมาคือไม่จะตัดเหตุทั้งหมด เพราะว่าเหตุแห่งความสุขมันก็มีอยู่เหตุแห่งความทุกข์ก็มีอยู่าการตัดเหตุนั้นมุ่งตัดเหตุเฉพาะความทุกข์เท่านั้นเองเพราะนั้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นท่านก็รู้เท่าทันตามความเป็นจริงเจนความรู้เท่าทันตามความเป็นจริง ง, ง่ายๆอย่างแนวปิญหาปจัจเวกขณะสมมติว่ารู้ได้จริงๆแล้วก็เท่าทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้น พวกปกินกัรทุกข์ทั้งหลายพวกความโศกความร่ำรลํรำพันความทุกข์ความเสียใจความครับแยนใจเนี่ยมันจะบรรเทาบาบางลงไปจนถึงมีเป็นอันมากที่ส ง, งบไปเลยเช่นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการพิจารณาตามในญากของปิฏหาปะเจเวคขณะที่ว่าตัวมีความแก่เป็นธรรมดาเป็นต้นนั้น พัพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปจนรู้เท่าทันตามความเป็นจริงพราะเกิดความแก่ขึ้นจะเกิดขึ้นแก่เราหรือแก่ใครก็ตามบุคคลซึ่งจะต้องแก่เป็นธรรมดาก็าแก่แล้วเป็นความรู้เท่าทันและรู้เท่าทันเหล่านั้นไม่ใช่รู้เท่าทันแบบธรรมดารู้แก่แล้วนั้นวันข้างหน้ามันน้อยลงวันที่ผ่านมาเลยมากขึ้น พระเจ้าทรงอุปมาให้เห็นประดูง่ายๆนะฮะสมัยโบราณก็ทรงอุปมาว่าเหมือนการช่างที่ก็าคว้นเชือกก็ทําเชือกเป็นเกลียวคว้นไปคว้นไปคว้นไปเนี่ยเชือกมันก็ยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงแต่พอดีในขณะที่คว้นไอ้ปลายโคนของเชือกเนี่ยมันย้อยอยู่ข้างล่าง เปเชือกหนังสุนัขมันอยู่ข้างล่างมันก็กินไปเรื่อยๆตกลงว่าข้างหน้ามันเริ่มจะหมดแต่ว่าข้างหลังนั้นถูกสุนัข ก, กินเชือกมันเริ่มจะไม่ค่อยมีพอพลาดมาหมดพอวางพักเดียวสุนัข ก, ก็กินหมดเลยนั้นเป็นภาพของชีวิตที่ทรงสอนให้ดูแบบง่ายๆเพราะชีวิตของเราที่จริงมันก็เป็นเช่นนั้น เราอยู่ด้วยปัจจุบันอนาคตนั้นเริ่มน้อยลงโดยลำดับอดีตนั้นมันก็หมดไปกับกาลเวลาแล้วนะเหมือนกับเชือกหนังที่สุนัข ก, ก็กินไปเรื่อยๆเรพราะเรื่องปัจจุบันจึงกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญว่าจะใช้ประโยชน์อะไรหรือไม่ใช้ประโยชน์อะไรกับเขาถ้าเกิดรู้เท่าทัานในปัจจุบัน น, นเราจะแก้ปัญหาได้ทั้ง3การ แต่ตัวอย่างที่ยกมาแล้วง่ายๆนี่ยที่จริงไม่ง่ายนะเพราะถ้าไม่มีญาณปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปรู้เท่าทันได้ขนาดนั้นบางคนที่จะต้องแก่เป็นธรรมดาก็แก่แล้วต้องเจ็บเป็นธรรมดาก็เจ็บแล้วต้องตายเป็นธรรมดาก็ตายแล้วต้องพลาดพราเป็นธรรมดาก็พราดพาแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมันมันก็เท่านั้นเองเรรู้ร่วงหน้ามาตั้งนานแล้ว ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากเป็นธรรมดาบัางก็เกิดขึ้นมาแล้วบังก็เท่านั้นจิตใจไม่ต้องอ่อนไหวหรือโศกเศร้าเสียใจเพราะการแก่การเจ็บการตายและการพัดพรากนั่นคือลักษณะเป็นรู้เท่าทันจิตใจท่านจึงไม่ขึ้นลงที่เรียกว่าอุจนาอุจาวจังดัชยันติปัณฑิตาบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นขึ้ น, นลงลง ท้งประสบกับสุขกระทุกที่จริงทุกมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยสุขมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยการมองของพระยาบุพ์นั้นท่านมองได้หลายๆจุดคือท่านมองจุดใดก็ตามคือมันเป็นไปเพื่อความสงบเป็นความเป็นไปเพื่อความรู้จริงเพื่อความรู้ดีเพื่อความรับเอาเฉพาะประสบดับันอ่ะมันก็มองอย่างที่เรามองอย่างที่เราเห็นนั่นแหละ แต่พอดีท่านมีตัวยานตัวเนี้ว่าสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเอาตีต่างก็มองที่ตัวความเกิดเนี่ยมองที่ตัวความแก่ว่าาคนนี้จะต้องแก่เป็นธรรมดาก็แก่แล้วเนี่ยท่านจะมองเห็นการข้างหน้านี่น้อยลงการที่ผ่านมาแล้วมันก็ไปเอาอะไรกับมันไม่ได้ก็ยังเหลืออยู่เฉพาะปัจจุบัน ที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็มีอยู่สองอย่างก็บางอย่างทำแล้วนั้นเป็นไปเพื่อความทุกข์เราก็ไม่ทำ่าทำอะไรทำอะไรก็ได้ต้องเป็นเหตุแห่งความสุขมันก็มีอยู่สองเหตุสองผลอย่างที่กล่าวแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งใดจริ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถึงนั้นทั้งหมดมีความเับไปเป็นธรรมดาเพราะฉั้นเหตุอะไรซึ่งมีเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นมาและจะมีความทุกข์เป็นผลท่านก็ไม่ทำ เหตุอะไรซึ่งเมื่อมีเหตุปัจจัยบังเกิดขึ้นแล้วมีความสุขเป็นผลท่านก็กระทำแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้ดูเฉพาะตรงนั้นจนเราจะเห็นว่าจากการเรียนของอถึงการเวลาถึงกำลังเกิดขึ้นและกำลังเสื่อมไปอาจจะมองถึงการเสริมค่าของชีวิตจะที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พรามจราท่านหนึ่ง่ไ วันนีวัยของท่านก็แก่งอมหลุดไปไม้เหลืองซึ่งบางจะหลุดจากพั่วแต่ว่าเสเบียงคือกุศลที่จะเป็นเครื่องเลี้ยงตนไปในสัมปราคาเฉพบะภายภาคหน้าของท่านนั้นยังไม่มีท่านขอให้ท่านรีบสร้างสเบียงคือกุศลเพื่อเป็นเกาะเป็นที่พึ่งของท่านจึงจะต้องเดินทางไปในสัมปราคาเพบะปัญญาวนานอะไรเงี้ยทาก็รบเร่งขวนขวายกระทําความดีการเวลาให้ทำนั้นน้อยลง เพราะฉะนนจะต้องรีบทําให้ได้มากเท่าที่จะได้แต่บางทีก็ต้องสอนในลักษณะคล้ายๆก็ตื่นจโฉนกเป็นความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลารีบใช้จังหวะใช้โอกาสนั้นทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้แล้วที่ทรงอุปาเหมือนก็เรือที่ถูกไฟไหม้เป็นภาพที่เป็นรูปธรรมออกอย่ชัดเจนนะว่าเราไม่รีบเอาอะไรออกมามันก็จบกัน เ ร, เรือนกำลังจะพังร่างกายของบุคคลเราก็มีลักษณะอย่างนั้นมันใกล้ต่อการแตกดับใกล้ต่อการทําลายจะต้องรีบดึงอะไรออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และทําลายและทําลายแน่แต่ว่าทํำยังไงจะดึงเอามาให้ได้ดึงเอาสิ่งที่มีสารประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองในจากเรือนซึ่งกำลังถูกไฟไหม้ให้ได้ร่างกายเราบางก็เน่าแน่ ทีท่านบอกว่าเป็นรังของโรคจะต้องเปื่ยดาวผุพังนั้นคือพังไปแน่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พังเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้มันจะพังเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ต้องไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องไปแสวงหาคำตอบเวลาจะจะเห็นว่าบางคนเป็นห่วงเป็นใยตัวเองตายเมื่อไหร่ก็ไปใ ห, ห้หมอดูก็ดูหอดูทีก็ดาเอาแต่ปัญหาว่าดูไปทําอะไร พอสมมุติว่าเราดูว่าอีกยี่สิบวันเราตายเนี่ยเราตายล่วงหน้าก่อนทั้งยี่สิบวันหรือแตนที่จะไปตายในวันที่ยี่สิบอีกสิบเกวันนั้นตักตวงกอบโกยผลประโยชน์ต่างๆเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราก็กลับตายล่วงหน้าไปเลยมีความหวาดกลัวมีความกังวิตกกังวลแล้วก็ถามมันมันได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรคือ ไ, ได้ความตายเพิ่มขึ้นจากที่ควรจะตายจริงๆ เพในเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าเองก็จะไม่ส่งไม่ค่อยส่งพยากรณ์คือบางทีก็ท่งพยากรณ์แต่ไม่พยากรณ์ต่อหน้าคนจึงกำลังจะประสปัญหาเหล่านั้นเพียงแต่เอาใช้เป็นเครื่องมือในการแนะนำสั่งสอนธรรมะแก่บุคคลนั้นความคิดอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงหเห็นถึงกระแสของตัญหานั้นได้ถูกควบคุมไว้ คือคงไม่ถึงกับไม่เกิดตันหาแต่ว่าตันหานั้นได้ถูกควบคุมไว้เราก็รู้เราก็เข้าใจอะไรอยู่มากทําไมตันหาจึงถูกควบคุมไปได้เพราะอาวิชามันเกิดจางลงไปอวิชามันมีแสงหนึ่งที่ไปทาบเข้าคือวิชาได้เข้าไปแทรกไว้ส่วนหนึ่งแต่าลืมวาการใช้คําว่าอาวิชานั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นอวิชาเอาเลยจริงๆ เป็นความรู้ที่รู้ไม่จริงคือไม่เหมือนกับที่ปสโสดาบันท่านรู้ปะโสดาบันท่านรู้นั้นเป็นความรู้จริงคือรู้แล้วละกิเลสได้ละสังโยชน์ทั้งสามประการได้ไม่ถึงกับทำบาปรกรรมอะไรที่เป็นเหตุตกบายแต่ยังมีโสกะมีปริเทวะอยู่นะ เพียงแต่ไม่นานเหมือนชาวบ้านทั่วไปแล้วเรื่องต้องกระแทกกระทานใจสูงพอสมควรท่านจึงมีโสกะมีปริเทวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นจุดแตกต่างกันเหล่านี้พึงสังเกตว่าเราเองเราก็มีอยู่ในชีวิตปจจระจำวันคนใดที่เหตุผลสติปัญญาเราดีอารมณ์ไม่หงุดหงิดไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองมากตัหาก็ถูกควบคุไมไปเยะ มีอะไรที่เกิดขึ้นภายในใจแต่เราคุมไว้ไม่รู้อํานาจแก่รมซึ่งเกิดขึ้นก็ทำให้วันนั้นมีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นพักผ่อนหลับนอนไปก็เป็นการพักผ่อนหลับนอนอย่างมีความสุขนั่นคือกระบวนการทางปัจจัยการแล้วแต่เรามองเห็นได้ในช่วงสั้น ในขณะเดียวกันก็เหยียดเป็นช่วงยาวเหมือนกับตัวอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นคือเรื่องลูกสามประเภทนะคือเอาสั้นๆก็ได้เป็นคนคนเดียวอยู่ในครอบครัวมีพ่อแม่ลูกสามคนก็พอ๋อาแตลูกสามคนหนึ่งงดูได้ชัดเนะี่ยดูตรงนั้นก็ได้แต่ในขณะเดียวกันความเป็นคนคนนี้แหละก็คือพลเมืองของโลกเป็นประชากรโลกเลย ผลตั้งดีทั้งไม่ดีนั้นกระทบออกไปไกลตามสถานะหน้าที่ของบุคคลนั้นพรเรื่องของธรรมะถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งจะเกิดลดขึ้นมาในสายนี้เป็นสายเกิดกิเลสเมื่อวิชาแก่ลดลงไปนี่แสดงว่าสังขารที่เราทำเนี่ยคือจะเป็นบุญมากยิ่งขึ้นิดเป็นบาปน้อยลงเพราะสังขารที่จริงก็เกิดขึ้นมาจากแรงผลักดันของอวิชชา ให้เราสังเกตวันใดที่เหตุผลตติปัญญาเรามีน้อยวันนั้นความคิดความอ่านจะรุนแรงจะโกรธจัดจะโลภจัดจะหลงจัดจะไม่มีเหตุผลจะพูดจากันไม่รู้เรื่องต่อจานี้ไปผข อ, อให้ตั้งใจทาความสงบสงบไป